เห็นแจ่าการหลับเจรนอนความสะดวกสบายไม่ประกอบการ ป, า ร, ประลมเพียนเพลิดเพิินถ้าเยอทยานในโลกเกินไปมีความกังวลป ฏ, ฏิพภบตรมันก็เป็นชีวิตที่ไม่เจริญถ้ามาศึกษากันเถอะมาเคลื่อนย้ายขนส่งตัวเรามีสติมีความระลึกได้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 ประเทศเราสอบเอาลมลงผูเถียนส ม, มุตินะสีชยางใหม่โยมเชีงคานอยู่สียางใหม่วัดลังสีมุกดาหารอยู่นี้อาจารย์สั่งให้โยมเชงคานมาหาแต่ว่าทางระหว่างสียางใหม่มาลังสีไม่มีป่ า, ายิงเสือไปตรงนั้นแต่มันไม่ตายมันใสไข่รมาก็กัดถ้าอาจารย์สั่งให้โยมเชงคานมาหานะ่จะมาไหม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 ควบโกดเป็นสมมุติบัญญยัดควบไม่โกดเป็นปรมา จ, จาิตจักควบโกดดีไหมเราก็รู้ว่าไม่ดีแต่เราทําไมจึงโกดเมือ่อบัญมันหยัดเราก็ไปตามมันหยัดมันหยัดเอ า, า, เา ท, า ท, ทให้เราโกดทําให้เราทุกทําให้เราลักเราชังอะไรต่างๆมัญญัติเอาบัญญัติเอาเองต่างกันบางคนบัญญัติเอาความสุขอาจจ <End> ะเป็นความทุกข์ของคนอื่นบางคนบัญญัติเอาความสุขความทุกข์ของคนอื่นอาจจะเป็น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 เมันไปทางนั่นมันก็ไล่อ่าก็กัดฉางเลื่อยไปกัดตก็เว่งกัดฉางงูโหก็เคลืนมาฉกมันก็เคืนมาเอาไปมากรดแตกัดไล่มาไล่มาเหมือนนกกรงเฉนถงูเขียวมามก็สมัยนึงก็มีนกกังเฉนมาอยู่ก็ป่วยจากน้ำอ่าเมื่อก็ไล่งูได้แต่มันไล่งูมหาเราเราเลินตาอยู่อ่าแล้วก็มีกติเตียง อาแฝกมองเอาเตียงไว้ตั้งไวนง้นอนก็มันเรื่อยมามันจะมาเข้าใต้เตียงเรานั่งอยู่งูเห่าก็บอกไปว่ามันไม่รู้เราเราก็ไม่เคลื่อนไหวก็นั่งดูมันเลืนตาแล้วไม่เลืนตาเขียนงูั้ยเน้นงูกัดเราทีสมาธิเป็นต้องหลับตาเหรือไม่ใช่สมาธิแบบนั้นเลืนตาอยู่งูมามเรื่อยมาเลื่อยมาเตียงก็ไม่สูงนะก็เลย